ยามที่ความเศร้าลอยเข้ามาจับใจใครจะช่วยเธอกำลังใจที่แท้ไม่มีใครให้เธอได้มันอยู่ที่ใจ สของเธอเองคำปรอบแสนดีที่มี ความห่วงใยมันไม่ช่วยอะไรหากใจ